บทสวดมนต์ที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมันก็จะมีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตนะความจริงที่ว่าเนี่้คือความทุกข์นะซึ่งทุกเราต้องพวกเราทุกคนต้องประสบนะตั้งแต่เกิดเลยอ่าบทสวดมนต์นี้ก็ได้จําแนกความทุกข์นานาชนิดนะซึ่งเราทุกคนต้องประสบ มีความแก่ความตายมีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นต้นซึ่งสรุปง่ายๆคือมีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจนะพวกเราก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่มาเกิดมาในยุคนี้นะเพราะว่ายุคนี้นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง มีเครื่องบรรเทาทุกข์ทางกายมากมายที่ทำใหนะ้เราได้สัมผัสกับความทุกข์กายน้อยลงเมื่อเทียบกับคนในยุค ก, ก่อนๆมากนะพูดได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์กายเกิดขึ้นกับเราน้อยมากนะอาจจะมีแค่ความปวดความเมื่อยนะ อย่างที่เรามานั่งทำวัดกันตอนนี้แต่ความทุกข์ที่มากกว่านั้นเช่นความหิวนะหรือความเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะยังไม่ถึงวัยของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยว่าเป็นประจำก็คือความทุกข์ใจไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนไม่ว่าจะ สุขสบายเพียงใดก็หนีความทุกข์ใจไม่พ้นในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันถ้าเอาความทุกข์มาจำแนกเนี่ยทุกข์กายจะสัก 30% อย่างมากนะทุกข์ที่เหลือนี่คือทุกข์ใจทุกข์กายเนี่ยนะเรามีสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มภัยได้หลายอย่างนะ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะระเบดระวังอันตรายที่จะมาถึงกายของเราเห็นสัตว์ร้ายอยู่ข้างหน้านะเราก็เดินหลบเดินหลีตรงนี้ร้อนนะเราก็เดินไปหาที่ที่เย็นสบายข้ามถนนเราก็มีตาที่จะสอดสายมองดูว่ามีรถ พุ่งเข้ามาหรือเปล่าเรามีอายตะนาถึง5อย่างในการที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้มาถึงตัวและยังมีมือมีเท้าคอยปัดเป่าสิ่งที่จะมาเป็นภัยนะต่อตัวเราแต่ใจของเราล่ะนะมันมีอะไรบ้างนะที่จะคอยเราแวดระวังไม่ให้ภัยเนี่ยหรือความทุกข์นี้ มันมาถึงใจของเราภัยที่ว่านี่คืออะไรก็คือความโกรธความเศร้านะความคับแค้นความอาลัยอาวรความน้อยเนื้อต่ําใจไอ้พวกนี้คือภัยนะที่ทําอันตรายต่อจิตใจของเราแต่ใจของเรามีอะไรบ้างนะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านี้เนี่ยมันมาถึง เราเคยนึกเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราได้มีอะไรที่จะคอยระแวดระวังไม่ให้ภัยเหล่านั้นนะมาครอบงมจิตใจของเราที่จริงเราทุกคนก็มีนะมีสิ่งที่จะช่วยระวังป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับใจของเราสิ่งนั้นก็คือสติ ที่จริงยังมีอีกหลายอย่างนะแต่สตินี่เป็นเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าสตินี่เหมือนกับตาในนะกายเราเนี่ยกายเรามีตาเนื้อที่สามารถจะมองเห็นอันตรายที่จะมาถูกตัวเราในตาเนื้อนี่มันก็ยังมีขนตานะที่คอย ทำให้เรารู้ทันเวลามีฝุ่นจะเข้ามาทำอันตรายกับในตาของเราแต่หรือแม้จะมีอันตรายที่ใหญ่กว่า น, นั้นตาเรานี่ก็คอยช่วยทำให้เรารู้ทันและคอยหลบหลีกไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเราใจเราก็เช่นเดียวกันนะมีตาในอันนั้นคือสติ สติทำให้เรารู้ทันนะเวลามีความโศกความเศร้าความโกรธมาเล่นงานจิตใจของเราแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ตาชนิดนี้เท่าไหร่หรือว่าใช้ได้ไม่ทันท่วงทีบ่อยครั้ง ความโกรธความเศร้าความเสียใจรวมทั้งความเบือ่อความเหงามันก็เลยเล่นงานจิตใจของเราจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจทั้งวันกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจเป็นอาทิตย์นะหรือเป็นเดือนเรามีของดีแต่เราไม่ได้ใช้นะหรือถึงจะพยายามใช้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยทันการนะเพราะว่าสติของเรามันช้านะมันไม่ชัด มันไม่ไหวไม่ปราดเปรียวมันไม่คมนะเหมือนในตาของเราถ้าสติของเราไม่ไวไม่ปราดเปรียวนะมันก็เป็นจุดอ่อนให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเล่นงานจิตใจของเราเพียงแค่คนพูดไม่ดีกับเราเราก็โกลัแล้วเราก็น้อยใจแ มันไม่ได้หยุดที่คําพูดของเขาไม่ได้หยุดที่หูวของเรานะแต่มันสามารถจะทะลวงมาถึงใจของเราได้ใจเรานี่มีช่องว่างช่องวัวเต็มไปหมดเลยนะสามารถจะเปิดให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใ จ, จสิ่งหนึ่งที่ทําร้ายจิตใ จ, จเรามากคือความโกรธความโกรธนี่เป็นอันตรายนะไม่ใช่ต่อจิตใ จ, จของเราเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึง สุขภาพของเราด้วยยิ่งโกรธมากๆนี่ความดันก็ยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคหัวใจอาจจะเป็นปัจจัยไปสู่การเกิดมะเร็งบางชนิดได้แต่เราก็มักปล่อยให้ความโกรธนี่เข้ามาเล่นงานเราเป็นประจําแล้วพกคนเรานี่พอมีความโกรธคล่องงมงำใจแล้วนะมันก็ลืมตัวนะพอลืมตัวเราทําอะไรก็ได้ ไม่จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองมีเรื่องเล่านะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแกมีบ้านอยู่บ้านที่สวยงามเลยนะอยู่ริมถนนมีกำแพงที่ก่ออย่างดีนะเป็นที่ภาคภูมิใจของเจ้าของบ้านแต่บังเอิญไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงทางผ่านของนักเรียนสองโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งก็โรงเรียนมัธยมอีกโ ร, ง, ก ง, ง, เ ร, กเรงเรียนนึงก็อาชีวะสองโรงเรียนนักเรียนสองเรียนนี้ก็ไม่ถูกกันอย่างที่เราพอจะนึกภาพออกนะเวลานักเรียนอาชีวะมัธยมนี่เขาไม่ถูกกันทีน่เขาทำยังไงนะเขาก็อวดสักดาหลายวิธีวิธีหนึงก็การคือการเขียนการฉีดสเปรย์การเขียนข้อความบนกำแพงตามทางตามถนน หาบ้านของชายผูนี้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนนะกำแพงเขาก็กลายเป็นสมรภูมิประกาศศึกของสองโรงเรียนนะมีการเขียนข้ขอความว่ากรอรลอตต์เป็นพ่อออนอสอหรือว่ากอลอตต์หน้าตัวเมียขีดเขียนสเปรย์เนะจ้าของบ้านนี้เขาก็กลุ้มใจนะก็ต้องคอยมาทําความสะอาดกาแพงนี้ บางทีสีมันก็ลบยากด้วยเาก็เขียนนะติดประกาศขอร้องนะขอร้องว่าอย่าฉีดเขียนกาแพงอาแค่วันเดียวเท่านั้นแหละนะวันรุ่งขึ้นก็มีคนฉีดสเปรย์ทับนะจนกระทั่งไม่เห็นข้อความเลยเนะขาก็เริ่มไม่พอใจนะก็เลยเขียนติดประกาศข้อความอีกว่า คนดีมีวัฒนธรรมไม่ขีเขียนกำแพงก็ปกว่าข้อความนั้นก็ถูกฉีกแถมมีสเปเชียต่อว่าตำหนินะเหน็บแนมอีกก็เริ่มโมโหมากขึ้นทีนี้นี่ติดประกาศข้อความเลยว่าจะดำเนินคดนะีตามกฎหมายแก่ผู้ที่ขีเขียนกำแพงคราวนี้ก็มีคนขีเขียนข้อความทับไอข้อความเหล่านั้น นะแล้วก็แถมเขียนข้อความว่า<ม>ยังไม่รู้ว่าขัดไผเป็นไผ่หรือนี่นะเจ้าของเริ่มโกรธมากขึนะ้นเจ้าของบ้านเนี่ยทํายังไงก็ไม่มีไม่ได้ผลนะขอร้องก็แล้วนะอ้างกฎหมายก็แล้วนะเขาโกรธมากนะคุ่นคิดนะอยู่ทั้งคืนเลยสุดท้ายวันรุ่งขึ้นนี้เขาก็มาที่ออกมาที่กำแพงนั้นพร้อมกับสี แล้วเขียนข้อความตัวโตว่าใครเขียนเป็นหมานะตัลงใครเป็นหมาคนแรกนะเจ้าของบ้านนี่อยากให้บ้านอยากให้กำแพงสะอาดนะแต่ว่ากลับทำกับตัวเองนี่กลับทำให้กำแพงสกปรกอยากจะต่อว่าพูดนักเรียนที่ขีกกำแพงว่าเป็นหมาแต่แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นหมาคนแรกเลยนะอันนี้เพราะอะไรเพราะความโกรธ ความโกรวมันทำให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็สามารถจะทําสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองได้หรือแม้จะเป็นการประจานตัวเองก็ได้เราคงเคยเห็นนะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแนละพอเราโกรธแล้วนี่เราก็ทําในสิ่งที่มันแย่กับตัวเรานะอยากจะรักษาภาพลักษณ์ให้ดีแต่พอโกรธแล้วมันก็สิ่งที่เราพูดไปแม้จะมุ่งไายต่อคนอื่นแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของเรา คนเราพอลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่นก็ได้เหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งนี่แกรักรถมากนะห่วงรถมากมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับรถไ ด, ได้ได้ขับรถได้ทำความสะอาดรถนะเพราะรถราคาแพงและสวยเป็นหน้าเป็นตาเป็นเป็นอัตตาของแกลเลยก็ว่าได้ วันนึงใคะที่แกกาลังปรับแต่งรถอยู่นะก็มีถือประแจรถเนี่ยกำลังปรับแต่งรถอยู่ก็ได้ยินเสียงกุกกะกุกกอยู่ที่รถอีกข้างหนึ่งเราก็ว่าเสียงนั้นก็คือเสียงของลูกชายตัวน้อยๆ3 4ขวบนะกำลังเอาสีเนี่ยนะเอาสีเขียนข้อความบนตัวรถของแก แกโกรธมากเลยนะเพราะว่ารถนี้เป็นของเล่ของห่วงแกมากนะแล้วลูกนี่เอาสีมาเขียนนะที่รถนี่แกโกรธมากนะถึงกับ เ, เดินไปนะแล้วก็ตีลูกนะตีลูกแรงๆเลยแกมารู้ตัวทีก็พบว่าไอ้ที่ไอ้ที่เอามาตีลูกนะี่คือปัจจที่แกถือไว้นั่นเองเอาปัจจนี่ตีมือลูกนะคิดดูนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเจอปจัจจ ตีเงี้ยไม่รู้กี่ครั้งนี่มันจะยับเยินแค่ไหนหตกใจเลยนะแล้แกลสึกแย่ยิ่งกว่า น, นั้นนะเมื่อเหลือบมองไปที่ข้อความที่ตัวถังรถที่ลูกเขียน เ, เขาว่าหนูลักพ่อหนูลักพ่อแต่พ่อทำํำลายหนูนะตีอจนกระทั่งรู้สึกว่ากระดูกจะหักได้ซ้ำนะเพราะว่าตีไม่ยั้งด้วยความโกโรธ ทำไมถึงทำมันนได้เพราะความลืมตัวนะพอโกรธนี่แล้วนี่ก็ลืมตัวแล้วคนเราพอลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกับคนที่เรารักบางคนก็ทําร้ายพอ่อ บ, บางคนก็ทําร้ายแม่เพราะความลืมตัวเพราะความโกรธบางคนจะลืมตัวเพราะว่าโดนฤทธิ์ของยาเสพติดเล่นงานเช่นยาบ้าแต่หลายคนลืมตัวก็เพราะความโกรธนะ ที่จริงมันยังมีอารมณ์อีกหลายอย่างที่เข้ามาทําให้เราลืมตัวทํำไ้ความกลัวเข้ามาครอบงาใจเราไดนะ้ก็เพราะเราไม่มีสติรู้ทันนะไม่มีสติรู้ทันความโกรธที่มันเข้ามาม า, า จ, จะจู่โจมเข้ามาหรือม า, อาจากคืบคลานเข้ามาก็ไดนะ้บางคนอาจจะเริ่มต้นจากความหงุดหงิดความไม่พอใจเจลนิดเจรน้อยนะอาจจะลาคาญ เพื่อนที่หอพักนะหรืออาจจะลำคาญคนข้างบ้านแต่พอสะสมมากข้ามันกลายเป็นความโกรธอย่างผู้ชายเจ้าของบ้านที่เอาสีเขียนกําแพงเนี่ยมันเป็นความความโกรธที่ ค, ค, ค, ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วเขาก็ปล่อยให้มันคลืบคลานเข้ามาในจิตใจโดยที่เขามองไม่เห็นมองไม่เห็นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เห็นได้ตาแต่เห็นได้ใจคือการมีสติอันถ้าเรารัก รักตัวเรารนะักกายรักใจของเรานอกจากคอยเราแวดระวังไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาหรือแผนตรางต่างๆเข้ามาเล่นงานกายของเราแล้วก็ต้องใส่ใจกับการดูแลรักษาไม่ให้ความทุกข์ความกลัวความเศร้านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจอาการเจริญสติเนี่ยนะมันช่วยทําให้เรามีตาในที่ไวมันช่วยทําให้เราไม่ลืมตัวได้ง่าย คนเราทุกวันนี้เริืมตัวง่ายนะเราอาจจะจําอะไรได้เยอะแยะจะจําสูตรจําวิชาความรู้นะได้มากมายอาจจะจําไปถึงประวัติของดารานะว่าเขามีแฟนกี่คนเขาผ่านกิ๊กมากี่คู่แล้วบ้างกี่คนแล้วบ้างนะสามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นแฟนคนนั้นเป็นกี่กคนนี้อาจจะจําโปรโมชั่นทรศัพท์มือถือนะ หรือว่าลูกเล่นของโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นได้เราจาได้ดีมากแต่แต่พอเป็นเรื่องตัวเองนี่เราลืมง่ายเหลือเกินนะลืมตัวลืมตัวนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนอย่างแพรหลายมากนะลืมตัวในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างนะความหมายที่เราคุ้นเคยกันดีก็อาจจะได้ยินจากสำนวนที่ว่าลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน อันนี้หมายถึงการลืมตัวคือลืมบทบาทสถานะหรือกรรพืชของตัวความเป็นมาของตัวลืมไปว่าเราได้ดีมาทุกวันนี้นะเป็นเพราะมีใครช่วยเหลือเกือ้อเฟื้อเออเฟอเ ก, อเกือกูนตั้งแต่พ่อแม่ไปจนถึงรู้บาอาจารย์บางทีมาจากครอบครัวชาวนานะแต่ว่าพอมาจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลืมไปว่าเราเคยนะเป็นเด็กชนบทเป็นเด็กจากท้องไร่ท้องนา อย่างนี้แล้วว่าลืมตัวได้เหมือนกันนะลืมตัวในความหมายที่ว่าลืมเหมือนว่าลืมตีนแต่ว่าลืมตัวที่มันละเอียดกันนั้นนะที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆนะก็คือลืมกายลืมใจอย่างเวลาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็บ่อยครั้งเราก็ลืมไปนะว่าเรากําลังนั่งอยู่เพราะใจเราลอยไปและนะใจเราลอยไปที่บ้านแต่เราลอยไปที่หมาหาทยาลัยนะไปนึกถึง ความสุขที่เราเคยมีกับเพื่อนๆกับแฟนไอ้ตอนนั้นแหละนะเราลืมตัวและเราลืมว่าเรากาลังนั่งอยู่นะอาตมาพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินละหรือได้ยินแต่ว่ามันได้ยินแบบผ่านๆไม่รู้เรื่องนะเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราสร้างจังหวะนะสังเกตไหมว่าเราลืมตัวบ่อยมากนะเราลืมตัวไปว่าเรากำลังยกมือเรากาลังเดินจงกรม ความคิดที่ฟุ้งซ่านนี่มันเอามันกินเราไปนะมันพาใจของเราไปไหนไม่รู้เอาไปกินหมดเลยยกมือยังไงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอารมณ์มันคืนกินจิตใจของเราไปหมดไอ้ตอนนั้นแหละที่เรียกว่าเราลืมตัวแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเราลืมตัวบ่อยมากนะแม้กระทั่งคนที่จําอะไรได้มากมาย แต่การระ ล, ลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจนี่กับกลายเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันฝึกได้นะการที่เรามาเจริญสติอย่างเนี้ยนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความรู้ตัวได้ไวขึ้นหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เคยเข้าใจว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะเราก็อาจจะเข้าใจแบบ ง่ายๆว่ า, าความคนที่รู้สึกตัวคือคนที่ไม่หลับไม่ไหลไม่สลบนะแต่ที่จริงแม้ตื่นขึ้นมาก็ยังลืมตัวก็ยังขาดความรู้สึกตัวได้เห็นได้ชัดในเวลาเราปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัตินี่มันเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เราเห็นเลยว่าเราลืมตัวบ่อยมากเราไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่แต่การปฏิบัติอย่างนี้แหละที่จะทําให้เรา กลับมารู้ตัวได้ไวขึ้นรู้ตัวได้รู้สึกตัวได้ต่อเนื่องขึ้นนะและทำให้เราได้รู้ทันความคิดไม่ไม่นี่ความคิดมันพาใจเราไปไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวแปดเก้าเรื่องนะกว่าจะมารู้มารู้ตัวว่ากำลังยกมือสร้างจังหวะนะแต่ถ้าากว่าเราทำไปเรื่อยๆืเริ่มต้นจากการเพียงแค่รู้กายนะ แค่รู้กายเป็นหลักรู้กายคือรู้ว่ากำลังยกมือรู้ว่ากำลังสร้างจังหวะกำลังเดินจงกรมรู้สึกตัวกาลังทากาลังมีอิเลียบทอย่างนั้นอยู่มันจะรู้สึกตัวได้ประเดี๋ยวประดาวนะแล้วก็ไปนะแต่ว่าประเดี๋ยวก็จะนึกขึ้นมาได้แล้วก็กลับมาไอสิ่งที่ทำให้เรานึกขึ้นมาได้น่แหละคือสติ มันทําให้เรานึกขึ้นมาได้อ้อนนี่เราหลงไปละเราลืมตัวไปละสติจะพาจิต ก, กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใหม่ๆนี่กว่าจะกลับมานี่ช้านะคิดไปเจดแปดเรื่องแล้วถึงกลับมาแต่ต่อไปมันก็จะทำมันก็จะปราบเปรียวว่องไวมากขึ้นจะรู้ทันได้ไวขึ้นและทําให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรา ใจของเราไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะเราจะไม่สังเกตนะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตได้เลยจิตไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวไม่รู้สึกเวลายกมือไม่รู้สึกเวลายกมือสร้างจังหวะตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้เลยเพราะว่าจิตเราส่งออกนอกตลอดเวลาอะจิตเราส่งออกนอกตลอดเวลาโดยที่เราไม่เคยเฉลียวใจแล้วโอ้นี่เราลืมตัวไปแล้วนะ นี่เราไม่รู้สึกตัวไปแล้วเพราะมันเพลินเพราะความเพลินทำให้เราไม่เห็นตัวเองแต่พอเรามาตั้งตั้งตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีเรื่อยบทไม่กี่อย่างนะคือสร้างจังหวกะก็เดินจงกรมมันจะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นว่าเราหลงอยู่บ่อยๆให้การเห็นตรงนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องหลงก่อนถึงจะรู้ เราต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดและก่อนที่เราจะฉลาดได้เราต้องรู้ว่าเราโง่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองโง่เนี่ยไม่มีทางที่จะฉลาดได้เลยแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเราโง่อันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของความฉลาดเวลาเราทำผิดทำพลาดแล้วเรารู้ว่าเราผิดอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นขอ ง, ของการของความถูกต้องมันมีประโยชน์นะเพรา ะ, ะนั้นเพียงแค่เรารู้ว่าเราหลงไป และเราก็ไม่ท้อเราก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะเพียงแค่ให้รู้กายให้รู้สึกถึงถมือที่เคลื่อนไหวรู้สึกถึงตัวที่กําลังก้าวเดินไม่ต้องมีบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้ความคิดเราคิดมามากแล้วนะให้ลองวางความคิดดูบ้างแต่ความคิดมันก็ไม่ยอมวางนะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆ อ, อันธรรมดา เพราะว่าเป็นนิสัยของเราที่คิดมากคิดจนกระทั่งหยุดความคิดไม่ได้เวลานอนก็คิดนะเวลาปฏิบัติก็คิดเราคิดมากจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นธาตุของความคิดความคิดมันกลายเป็นนายเรานะบทจะปล่อยวางก็วางไม่ไดนะ้เวลาเศร้าเสียใจเรื่องอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นแหละ ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าคิดแล้วก็ทุกโกรธใครโกรธเรื่องอะไรก็คิดแต่คนนั้นคิดถึงแต่เรื่องนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์นะมันแปลกนะมือเราเนี่ยนิ้วเราเนี่ยถ้าเกิดไปโดนไฟเนี่ยนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหรือโดนของร้อนเนี่ยเราจะรีบชักมือออกทันทีเลยไม่ต้องมีการสั่งทั้งสิ้นไม่ต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้น มือมันชักออกมาเลยแต่เวลาใจเราเนี่ยโดนความโกรธเผาโดนความโกรธมันลนเอาเนี่ยแทนที่จะชักจิตออกจากสิ่งนั้นนะก็ยังจมอยู่กับความโกรธจมอยู่กับความเศร้าคิดแต่อยู่กับเรื่องนั้นแหละไม่ยอมหยุดไม่ยอมวางสักทีเวลาเศร้านี่แปลกมเคยสังเกตไหเวลาเศร้านี่นะเวลาเสียใจเนี่ยเราจะชอบฟังเพลงอะไรนะ เราชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหมเออทำไมเศร้านี่มันก็ไม่ใช่เป็นของเ ป, เป็นความสุขนะความเศร้านี่มันทุกข์ใจนะแต่ทำไมเรากลับอยากฟังเพลงเศร้านะแทนที่จะฟังเพลงที่มันทำให้เราตื่นมีความจิตแจ่มใสชื่นบานนะเปล่าเลยเรากลับฟังเพลงที่เศร้ามากขึ้นเพราะว่ายิ่งความเศร้ามันมีรสมีชาตินะ ยิ่งเศร้าเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะจมดิ่งให้ใจจมไปในความเศร้ามากเท่านั้นยิ่งโกรธใครก็ยิ่งอยากจะนึกถึงคนนั้นแล้วก็ปล่อยใจให้จมหรือถูกเผาล้นด้วยความโกรธมากเท่านั้นบางทีกลัวด้วยนะกลัวว่าจะลืมจะลืมโกรธจะลืมแค้นความเศร้าหรือความเหงานะมันก็โดยแล้วแต่เข้ามาคล้องงำจาเพราะเพราะเหตุนี้แหละ อันนี้จะเรียกว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดที่เราปล่อยให้มันเข้ามาครอบงําใจแล้วก็เลี้ยงมันเอาไว้นะคนฉลาดนี่เขาจะรักษาใจให้ผ่องแผ้วให้สดใสเขาจะไม่เลี้ยงความโกรธไม่เลี้ยงความเศร้าไม่เลี้ยงความความความพยาบาทเอาไว้เขาจะมีเขาจะรักษาจิตของเข้าไว้นะด้วยการที่มีสติอยู่เสมอเฉั้นเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยถึงแม้มันจะมีความเบือ่อความ ความเซงยังไงเพราะอยู่กับอีเรียบทิจจําเจก็ให้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนี่มันมันจะมีคุณค่ามากนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่ามันสามารถมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในนาเขาก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเตรียมจิตเตรียมใจของเราไว้เสมอโดยเพราะการที่มีสตินะมีสติเอาไว้มันจะช่วยรักษาใจของเราเวลามีเหตุร้ายเวลามีอะไรแรงๆมากระทบ มันก็อาจจะกระทบได้่ก็แค่กายนะแต่ว่าไม่ลึกเข้ามาถึงใจยามสงบเราฝึกนะยามศึกเราลบนะอันนี้เป็นคำขวัญของทหารแต่ว่าแต่ละพวกเราก็เป็นคำขวัญที่ใช้ได้ดีทีเดียวยามที่สงบยามที่ชิดลับลืมแล้วก็ฝึกนะฝึกเอาไว้ฝึกสติเวลาเจอศึกเวลาเจอสงครามชีวิตนะเราก็จะได้พร้อมนะือเพาะถ้าเรามีสติเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ย ผ่องแผ้วนะปลอดโปร่งจากอันตรายหรือถึงมีอันตรายมากระทบเราก็สามารถจะพาจิตของเราออกจากความทุกข์ได้ไวอาชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะอา้าวกราบพระ